หรือว่าฝึกความเพียรอย่างเดียวแต่ว่ายังฝึกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าต้นไม้นี่กว่าจะโตเป็นต้นใหญ่แล้วก็กลายเป็นป่าได้นี่มันใช้เวลานานเป็นสิบปีหรืออย่างน้อยเช่นถ้าเกิดปลูกแล้วนี่วางใจไม่เป็นก็จะทำอย่างไม่มีความสุขหรือว่าท้อซะก่อนเพราะว่าคนเราก็ชอบไป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 ก็ทำให้เราไม่มีความสุขแต่แต่นับนับต้นหรือนับเวลานับวันแล้วคนในนี้เวลาทำงานก็นับวันเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทำงานวันแรกก็นับแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันเงินเดือนออก29 28 27 26นับกันไปเรื่อยๆทำอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่า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 กว่าจะคืบกว่าจะเคลื่อนนี่มันช้าคนเราทีนี้เวลาเดินทางก็เฝ้าแต่คิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงก็เลยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าไอ้ข้างๆนี่มีอะไรบ้างอย่างมีเพื่อนเขาก็ไายฟังว่าเขาเดินขึ้นดอยอินทนนท์แล้วคนนี้ก็น่าสนใจเขาเดินจากเชียงใหม่เดินจากเชียงใหม่ลงไปสมุยเดินด้วยเท้าไม่มีเงินสักแดงเรียกว่าไปตายอดาบหน้า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 ถ้าเขาให้ก็ดีถ้าเขาไม่ให้ก็เรื่องนี้ว่างๆจะรลอยให้ฟังเพราะว่าน่าสนใจมากแต่ว่าเขาก็เล่าในตอนนึ่งว่าเขาขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์จริงๆมันก็เป็นนอกเส้นทางแต่ว่าเขาอยากจะไปถึงต้นน้ำในตอนที่ขึ้นเนี่ยมันก็ใจนี่ก็เฝ้าแต่เป้าหมายว่าเมื่ อ, อไหรจะถึงและเมื่อถึงแล้วก็เหนื่อย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 ฉันจะเดินตะพึชไปอย่างเดียวนะชีวิตของคนขาขึ้นก็นเมือนกันเป็นอย่างนั้นแต่พอชีวิตขาลงเลยเออเอมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วสบายใจพอใจนี่มันหมายถึงคนที่พอใจนะถ้าคนที่ไม่พอใจมันก็พยายามจะขึ้นเลื่อยไปแต่คนที่พอใจเขาก็ยอมรับแล้วก็กลงตอนลงนี่แหละโอ้ก็ถึงได้พบว่าโออชีวิตนี้มันมีความสุขให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่ทุกขณะปัจจุบันขณะ ซึ่งเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองอันนี้เพื่อนคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะเขาก็ชื่นชมกับช่วยขาลงมาเพราะตอนนี้เขาก็อายุห้าสิบกว่าแล้วเขาก็กําลังลงแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์เลยเขารู้สึกว่าเออช่วยขาลงมนี่มันดีกว่าขาขึ้นเยอะได้ได้บทเรียนในการเดินทางเนี่ยหลวงพ่อคาเขียนก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันถึงต่อเมื่อมันถึงถึงต่อเมื่อมันถึง อย่าไปสนใจมันเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงถึงแล้วก็รู้เองอะ่ะนั่นใช่ไหมว่าถึงต่อเมื่อมันถึงจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าถึงทุกขนาดอยู่แล้วเหมือนกับเวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันอยู่แล้วคนไปสนโมกก็ไปถามอาจารย์พุทธทาสว่าไอ้ตึกอาคารต่างๆนี่เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีพอมาปีแล้วปีแล้วก็ยังข ย, ยื่นขยับไม่เท่าไหร่เพราะว่าที่นั่ง ก็ไม่ได้เร่งสร้างอะไรนะสร้างต่างกําลังแล้วก็อาศัยแรงพระเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกวันโกนในวันวิปัสสนากรรมกรพระนี่ต้องมาเป็นกรรมกรถือว่ามาบาเพ็ญวิปัสสนากันในวันโกงานก็ไปได้ช้าก็คนมาเท้าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วทีอาคารพวกนี้ญาติพุทธก็บอกว่ามันเสร็จทุกวันแหละเสร็จทุกวันเหมืองกับการรักษาป่าเนี่ยมันก็เสร็จทุกวันนะ จริงมันเสร็จทุกวินาทีไปแล้วมันเสร็จทุกต้นที่เราปลูกการเดินทางก็เหมือนกันมันถึงทุกขณะที่ย่างก้าวเวลาเดินทางเราต้องระลึกไว้ว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้านะัจุดหมายอยู่ข้างหน้านี้เดินละทุกข์มากเลยแต่ถ้าจุดหมา ย, ยที่ปลายเท้านี่มันถึงทุกข้าวนะถึงทุกข้าวถึงทุกข้าวอันนี้แหละคือศิลปะการเดินทางไกลอย่างไม่มีความทุกข์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 คนส่วนใหญ่นี่กายไม่ได้แบกขิดอย่างเดียวใจมันแบกขิดไปด้วยใจมันแบกขีดนวดก็เหนื่อยเสียก็หนักแต่ของอาจารย์นี่ใจไม่ได้แบกไม่ได้เลงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทําไปเรื่อยๆทําแต่ละก้อนก็ทําให้มันดีก็กลายเป็นว่าทําทั้งวันแต่เมื่อก็เป็นการพักผ่อนผมพักผ่อตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์บอกนี่อาจารย์พุทธาก็เหมือนกันอาจารย์พุทํามันทีก็บอกนั้นผมวันทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลย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 ไม่กลัวที่จะไม่บรรลุนะต้องไปถึงขั้นนั้นเลยลถ้ากลัวว่าจะไม่บรรลุนี่โหทรมานการปฏิบัติอูบาทาจารย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยปฏิบัตินี่ต้องมีหลักอย่างนั้นคือไม่กลัวว่าจะไม่บรรลุว่ากลัวแล้วนี่มันก็จะเล่งทำแล้วก็เครียดบรรลุเมื่อไหรก็ก็รู้เมื่อนั้นแหละอันนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันลองเรียนนะลองเรียนลองศึกษาจากการทํางานดู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 ทำแล้วแพ้ทำแล้วล้มเหลวอันนี้แหละอัตตาแหละเป็นตัวตัดสินอัตตาเป็นตัวสั่งถ้างานไหนสาเร็จชนะทาก็มีคนเคยถามรสนารนะสนานี่เขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวให้กอฟอรฟผเนี่ยยุติการแปลรูป ก, กลับมาเป็นรักวิสาศกิจใหม่ซึ่งตอนที่เขาเคลื่อนไหวนี่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 ส0มสปีแล้วสมัยที่โซนเดปัสังค ร, ราตองนั้นยังคลองวัดบวนิเวศองค์นี้ก็เป็นประชาของในหลวงองค์ปัจจุบันในหลวงปัจจุบันก็บวชไปเมื่อสีปีที่แล้วเรื่องนี้ก็เกิดใกล้ใกล้กันสม ร, ราชวงศ์ที่พระมุ่ก็ไปไปเยี่ยมโซนเดปัสังค ร, ราตรงนี้ที่ตําหนักก็เห็นต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอยู่ในกระป๋องนมหยุดหน้าตําหนักก็เลยถามโซนเดปัสังค ร, ราตว่าต้นอะไร หลวงพ่สังเระบอกว่าต้นพยอมว่าเจ้าว่าที่โหวหินให้มาถ้ามึงกลับจากโวหินก็เลยเอาต้นเนี่ยาวาวาไว้ที่หน้าตําหนักรเรามกตก็เลยถามว่าต้นอะไรได้คําตอบว่าต้นพยอมต้นพยมพอเลื่อเป็นต้นพยมหมอมรุชงฤทธิก็ร้องโ oh อ้โหทําไมอะโอ้โ oh หทําไมก็ต้นพยอมนี่กว่ามันจะโตแล้วมันจะออกดอกนี่ให้เราได้ชื่นชมนี่ก็ห้าสปีชนะ แล้วสมเด็จ น, นี่ก็ชลาขนาดนี้แล้วจะได้มีโอกาสาเทสเลยสมเด็จพระสังฆราชก็ถามว่ามันอย่างนั้นเชีวยวเหรอมอเลืกฤษ์ก็บอกว่าใช่ห้าสิปีเชียวพอหมรอราชชนคฤษณ์ยืนยันอย่างนั้นสมเด็จพระสังฆราชก็รีบตะโกนเรียกไว้วัจกรมาทันทีเลยองใช่ว่าร้องเสียงลั่นเลยบอกให้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยต้นนี้รีบไปปลูกเดี๋ยวนี้เลย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 ย้ายลูกแก่ความประมาทคือชาวพุทธเนี่ยความประมาทนี่ก็ถึงหมายถึงอันนี้วยคืออะไรที่มันให้ผลชาติแต่มันดีก็ต้องรีบทําก่อนคนธรรมดาก็เก็บเอาไว้ทีหลังความประมาคือการผัดเพี้ยนนะผัดเตี้ยนผัดผ่อนนะเพราะนั่นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะให้เราได้ลองปฏิบัติทำกับงานกับการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเดิน การเดินทางไกลอย่างธรรมยัตตราที่เราจัดเดินทุกปีนี่ก็ฝึกปฏิบททัติธรรมคนก็บอกโอ้ยเดินไปทําไมทุกปีสิ่งวัลล้อมเห็นดีขึ้นเลยอันนั้นก็ก็ยังเถียงกันได้ว่าถ้าเดินไปสักยี่สิปีถ้าสิ่งวัลลมไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันแต่ว่าทุกวันทุกขณะที่เดินเนี่มันได้อยู่แล้วมันได้ฝึกการปฏิบัติมากเลยใครที่ไม่เดินก็ไม่รู้นะแต่ที่เดินนี่ก็จะติดใจก็จะมากันเพราะว่ามันได้ฝึกจริงๆ